ก่อนดูไม่ไปดักดูขณะดูอย่าถลําลงไปจ้องดูแบบคนวงนอกนี่เป็นกฎข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งดูแบบคนวงนอกนส่วนใหญ่พอเราเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วมันจะมีตัณหาตัณหาก็คืออยากรู้ให้ชัดพออยากรู้ให้ชัดนั่นจะถลําลงไปจ้องคล้ายๆเราดูใครก่อ น, นใครเคยดูหนังจีนไหมหนังจีนสมัยก่อนนะกลังภายในเจ้ายุทธภพอะไรเนี้ย มันชอบมีบอ่อน้ำกลมๆอะ่ะเคยเคยเห็นไหมที่มีขอบปูนนะแล้วผู้ร้ายเนี่ยมันชอบจับเอานางเอกไปโยนลงบอนะ่ออเงี้ยบางทีก็เอาคัมภีร์ไปโยนลงบอนะ่อคล้ายๆกันนะเวลาเราจะดูของที่อยู่ก้นบ่อเนี่ยเราชะโงกลงไปดูจนหัวทิ่มลงบ่อไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราต้องดูอยู่ห่างๆดูอยู่ปากบอ่ออย่าถาลําลงไปจนตกบอ่อพวกเราเวลาที่ดูจิต ด, ดูใจเนี่ยเราอยากดูให้ชัด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 อาจารนณานันวัดมาดจำนะท่านก็สอนมาท่านบอกหลวงพ่อชาสอนมาว่าเวลาดูจิตเนี่ยให้ดูด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้าย น, นี่หลวงพ่อชาสอนมาอย่างนี้นะ <lude. S 2> หลักอันเดียวกั น, นครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์งที่ท่านภาวนาเก่งๆนี่ท่านสอนเหมือนกันหมดเลยหลวงพุธุนก็สอนอย่างเดียวกันนะงงงองค์ไหนองค์ไหนก็สอนอย่างเดียวกั น, นรู้ด้วยความเป็นกลางหลวงปู่เทศใช้สำเนาบอกรู้ด้วยความเป็นกลางหลวงพ่อชาบอกรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะ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 ได้แต่เชียร์นะได้แต่บอกวิธีการให้บอกวิธีให้แล้วก็พยายามเชียร์ทุกวันนะเชียร์จนแก่แล้วตอนนี้ชักเชียร์ไปเชียร์ไปชักหอบแล้วนะบางทีหลวงพ่อแต่ก่อนไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็เชียร์เหมือนกันนะเชียร์อย่างหลวงปูด่ดูลนะมัส่งกันบ้านนะท่านก็หืมืมืมนี่อย่างนี้น ะ, ะสาใจมากเลยนะ <c oughs> อย่างนี้นะหลวงปู่เทศนะท่านเป็นคนนุ่มนวลท่านไม่อย่างนี้ะท่านอืมหืมอย่างนี้นะนนุ่มนวล ถามเราไปเรื่อยเราส่งไปเรื่อยพอหมดที่เราปฏิบัติเท่านี้หรอได้เท่านี้หร อ, อเสียดายยังยังน้อยไปหน่อยนนครูบาอาจารย์นะแต่ละองค์นะเวลาไปหาท่านบางทีท่านเชียบคือท่านรุ่นมากเลยองค์ <c oughs> สุดท้ายพรรษาแรกหลวงพ่อบวชพรรษาแรกไปกลับออกพรรษาแล้วไปกลับหลวงปู่สวัสดิ์ส่งกันบ้านท่านไปกลับท่ททบานบอกหลวงปู่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 คนในที่ทํางานก็จะตามมาดีกว่าโฆษณาอีกนะดีกว่าโฆษณาเปล่ปาๆมาปฏิบัติธรรมดีอย่างนั้นธรรมะดีอย่างนี้นะเข้าฟังแล้วเขาไม่เชื่อหรอกเาให้คนที่ประกาศก็เชื่อไม่ได้แล้วนะนะเราเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนนะปฏิบัติฝึกฝนตัวเองดีแล้วนะค่อยฝึกคนอื่นเข้ามาเองนะฝึกตัวเองไหมนะอ่ะเชิญถามการนัดสรรการกับหลวงพอ่อ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 หลวงพ่อะคาแล้วคืออยากอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งว่าอเผอิญมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วแล้วก็ทํางานอยู่กับคนไข้เนี่ยก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาสมมติถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยมากก่อนจะสิ้นลมเนี่ยเราจะสอนเขาให้ตามรู้ตามดู<อ>ระม <CD S 2> ัยใจได้มจ๊ะคาเาซีดีหลงพ่อะเอาซีดีหลวงพ่อไปเปิดให้เขาฟังได้ยินบ่อยๆนะเดี๋ยวเขาภาวนาเป็นเองแหละ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 พุโทโธพุทโธก็ได้พุโทโธก็คือคําสวดมนต์เห ม, มือนกันแต่สวดสั้นหน่อยสวดพุดโทโธพุโทโธในชีวิตประจำวันเงี้ยแล้วก็รู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตแอบไปคิดในตอนนี้ยจิตหนีไปคิดละใช่ค่ะแล้วก็คอรู้ไปเรืยถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะ<ม>จิตนี่หนีไปคิดได้เองนะจิตไม่ใช่เราหรอกเนตอนเนี้ยจิตสงสยัยทราบไหมเห็นไหมมันสงสัยขึ้นมาได้เองะเ น, นี่ยดูไปอย่างนี้แหละอื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 มาักการ์ค่ะหลวงพ่อคือฟังหลวงพ่อมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาแป๊บหนึ่งนะขอเวลานอกคนที่ส่งการบ้านเสร็จไปรู้สึกไหมไปทำอะไรอยู่ยไม่ใช่สิคนละคนไีชี้เอาคนท้างหลังเขาลนะเมื่อกี้ใจลอยไม่ใช่คนคนข้างหลังจงินั่นแหละเออใจลอยอา้าค่ะกจะ็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกที่นานๆก็จะทุกสั้นลงแต่อย่าน้อมใจให้นิ่งนะ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 หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะว่าในหลวงท่านถามผู้บาจารย์มัดป่าบอกว่าท่านรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรท่านรู้หรือไม่รู้หลวงพ่อพุทธก็ทูลในหลวงบอกว่ารู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละยอดของการรู้เลยรู้แล้วไม่เจอบัญญัติลงไปส่วนพวกเรารู้ปุ๊บภาคปั๊บรู้สึกไหมอ้าวต่อไปกราบธรรสถาเจ้าค่ะหลวงพ่อ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 แต่โมโหนี่ดูง่ายคช่ไอมใช่หลวงพ่อรู้<笑><笑>แล้วหนูปฏิบัติถูกหรือยังคะหลวงพ่อถูกได้ยังไงไปติดว่าง<笑><笑>อย่าไปติดว่างนะค่ะมันไม่ยากหรอก <c oughs> ปล่อยถ้าไปว่างอยู่จิตไม่เกิดปัญญาตอนแรกก็ปัญญาเกิดดีพอมาหลังๆนี่มันรู้ <c oughs> สึกว่าไปติดว่างค่ะอ่ะคนต่อไปกล <c oughs> ่าวนมัมศการาน้ำมศการหลวงพ่อครับตอนนี้ตื่นเต้นนะครับ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 กล่าวนามัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ได้ฝึกปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่ายังติดอยากติดเพ่งมากกว่ารู้ตัวจริงๆค่ะให้รู้ว่าอยากสิเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งอยากอยู่ให้รู้ว่าอยากเพ่งมันก็มาจากอยากนั่นแหละอยากดูใช้ไหมอยากจะดูก็ไปจ้องไปรอดูอยากรู้ให้ชัดก็ไปนั่งเฝ้าไว้กลายเป็นเพ่งไปหมดเลยค่ะก็ควรจะแก้ยังไงคะให้รู้ถันว่าอยากปฏิบัติไปดูใจที่อยากอ่ะใจอยากทั้งวันเลย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 าเห็นรูปวาบอยู่ข้างในตลอดเดี๋ยวูบเดี๋ยววาบอะไรเราถล่มลงไปจ้องมันอ๋ออันนี้คือถล่มมันถล่มลงไปอย่างเงี้ยดูไม่ให้คลาดสายตานะใจมันหมกมุ่นในการภาวนามากไปออกมารูกกายบ้างเคยครั้งหนึ่งเห็นความคิดผ่านหน้าไปอหาแล้วเราเคยครั้งหนึ่งกําลังทํางานอยู่แล้วโกรธขึ้นมาเนี่นแหละเห็นมันกระจายออกมาหมดเลยแต่ไม่ทราบว่าอะไรระะอไนเห็นอะไรนะเห็น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 พอรู้สักพักก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มง่วงนอวนก็เลยลืมตาลืมตาซะของคุณพอไปรู้ลมนะใจมั น, มนสงบลงมาแล้วมันจะหลับเอาค่ ะ, ะควรจะไปเดินจงกรมกระดุกระดิกไว้ไดีกว่านะถ้าไม่ไม่มีที่เดินเดินไม่ถนัดก็นั่งขยับไม้ขยับมือไปเคลื่อนไหวอะ่ะ อ, อย่าให้อยู่นิ่งค่ะอ่ะต่อไปขอบพระคุณค่ะกลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อ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 เอาคนนี้ตรวจไปแล้วเมื่อกี้นี้นึกได้เอาว่าไปกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะโยมเคยฟังซีดีอยู่เจ้าค่ะโยมมีอาชีพค้าขายและกลับบ้านก็ต้องดูแลลูก <c oughs> อันนี้โยมอยากจะได้กรรมฐานจากหลวงพ่อไปใช้ในชีวิตประจาวันดูใจของ <นะ S 2> เราไปเลยนะ <c oughs> อย่างเราค้าขายอยู่วันนี้ไม่มีลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สบายใจ <c oughs> นนเห็นลูกค้ามาเราพอใจ <c oughs> เห็นลูกค้าคนนี้หน้าตากวนมากเลย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 ปาโมโ ช, มโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์พชนเพื่อความสุขสแก่ข้าพเจ้าและครอบรค ร, บรัวตราบสิ้นกาลละนานเทิมสาธุยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตดินนางเปตานังอุปกัะปติ อิชิตังปจิตังดุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตุสังคัปปะจันตดพันนารโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพีติโยวิวัติฉันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีที่คาโยโภพวะอภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปจายโนจตารโอธรมาวทันติอายุวันโนสุขขัง พลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มานะมีงานที่อื่น